ก็จะพูดดห้งางรับรองว่าไม่หลอกลวงไม่ต้องเสียเวลาพูดเราก็ทำได้เลยโดยเพราะปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการเจริญสติมีสติของกายของจิตใจก็ปอดภัยถ้าในความหลง ก็ไม่ปลอดภัยสัมผัส ด, ดูสร้างดูจนชีวิตทั้งหมดมีแต่ความรู้สึกตัวไม่มีอะไรมีแต่ความรู้สึกตัวทำอะไรคิดอะไรทั้งหมดของกายของกิตมีแต่ความรู้สึกตัวช่วย่นผิดประเภทใช่ความรักความชังใช่ความโกรธความเพ้อ เรีวใช่ผิดประเภทใช่กะใช่กายผิดประเภทใช่จิตใจผิดประเภทเราใช้เมฆไปประหัตประหารไปฆ่าไปตีกันใช้เมฆไปปั่นดินปันเล็กนะมันก็เสียอย่างความเป็นพีษการใช้ชีวิตของเราเหมือนกันมาใช้ชีวิตเพื่อ มีความรู้สึกตัวถูกไปมากสะดวกเมือนกับเรามีทรัพย์ใช้ทรัพย์เพื่อความสะดวกต่อการดํารงชีวิตใช้สติเพื่อความสะดวกต่อการดํารงชีวิตถูกต้องพอตัวมเรามีทรัพย์ไปนอกมีเงินมีทองไปไหนมาไหน ก็สะดวกสะดวกหลายอย่างปัจจัยสีอะไรก็ได้การมีสตินี่ก็เมข้นกันสะดวกต่อการดารงชีวิตเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสุบเป็นไปเพื่อผริภานสุดหมายปลายทางของชีวิตแล้ววิธีที่การแสว่งหาอริยทรัพย์ ภายในเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเกินไปต่อกวากความรู้สึกตัวอาชีพภาย น, นกอกล้วก็มีได้หลายอยา่างเป็นนายแพทย์เป็นพยาบาลเป็นครูเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นดีๆที่เราแสดงหาจนพออยู่พอกินแต่ว่าการเจริญสติเนี่ยมันเป็น ของที่ระเสิบเรียกว่าทัศนานุตริยะหรือว่าแสวงหาอย่างเปิดเสยเรด่องการเจริญสติการมีสติการเจริญสติก็เป็นวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานภาวนาเป็นวิชาที่สูงสุดของชีวิตเราเรื่การเรียนวิชากรรมฐานเนี่ย มันก็เป็นสูตรตัวหนึ่งมีกายเป็นสูตรมีจิตใจเป็นสูตรมีสติก็ไปดูแลให้เห็นเห็นกายเห็นจิตมีเล่นมีอยู่ที่กายที่จิตเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างเรื่องของจิตก็มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเห็นถ้าได้เห็นแล้วก็ตอบได้เห็นเห็นกายมันก็เป็นกายจริงๆไม่ใช่เห็นเป็นตัวเป็นต้น อ้ายาโฆษณมีสติเห็นกายนะกายนี่ก okay. um, ็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายจริงๆมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของกายเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของคนใดไม่ใช่เรื่องของความรักความชังไม่ใช่เรื่องของความสุขความทุกข์เรื่องของกายมันเป็นศัตรูว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา จะเป็นหลงมองคนก็หลงกายมากมากหลงกายในกายหลงกายนอกกายก็เงี้ย่ถ้าเห็นกายถ้าเป็นสติเห็นไม่ใช่อะไรทั้งหมดการื่นเห็นก็อาจจะผิดได้ไปไปโกรธกายไปชอบกายไปรักไปชังกายซะไปยินดียินไล่ไปเอาสุขเอาทุกข์เพราะเรื่องของกายซะ อันนี้มันไม่ใช่เห็นกายร่างเห็นกายถ้าสติได้เห็นแล้วก็ตอบได้ว่ากายนี่สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาต้องอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าเขาบอกไว้วางแบบฉบับไว้แนบแน่นผิดไม่ได้ถ้าจากเธอถ้าเห็นไปอย่างอื่นก็ถือว่าผิดถ้าเห็นอย่างเนี้ยกายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะถูกต้องถูกต้องที่สุดเป็นอื่นไม่ได้ ลงตัวแล้วเวทนาความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเวทนาเป็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตเห็นเป็นยืนไม่ได้เอาเวทนาเป็นทุกข์ก็ไม่ได้เอาเวทนาเป็นสุขก็ไม่ได้เห็นสวัสดิเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคนตัวตนหล่อหลอม อ, อย่าไปยึดไปถืออย่าไปหลงเวทนาเนี่ยถ้าเราไม่รู้หลงนะหลงจนไปหนาะ ขโมยไปต้นไปที่ไปข่มขืนไปชื่อไปหาคําไม่ได้ยืนพื้นไม่ได้อยู่เพื่อหาเวทนาม า, าหลาอเลี้ยงบางคนหลงติดมันก็กคนรังเกียดเวทนาบางคนก็ติดเป็นการเสพติดเป็นการให้โทษเราเห็นเป็นอื่นไปถทาสติได้เห็นแล้วพบกห็นยริ ง, งเห็นเวทนาเนี่ยนั่งเคลื่อนไว้ไปมาหายใจเข้าหายใจออก ไม่รอดมีน้องมีปวดไม่เืยเนียโอ้บรรเทนาไอ้หนี้ไปใน น, น, น, น, นี้ก็วางไว้แล้วแตเห็นเป็นอื่นวางไม่ลงแบกไปบ้างปฏิเสธบ้างลังเกยียดบา้างแต่เห็นเป็นอื่อนแยกไม่ได้ต้องเห็นเป็นเวทนาสักว่าเวทนาแต่ลงไปต้องสักว่าเวทนาลงไปสติมันได้เห็นแล้วคอนมรู้สึกองสติขยายลู่แล้วลู่แล้ว ก็ว่าลู่แล้วคุณลงแล้วจบแล้ววางลงแล้วถ้าไม่น่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นดีวางไม่ได้แล้วถ้าไม่ดีก็วางไม่แล้วถ้าดีก็วางไม่ได้แล้วไม่ได้เห็นถูกไหเห็นแล้วลู่แล้วรู่แล้วเห็นแล้วตอบเลยแล้วเนี่ยเวทนาอะมันก็ผ่านให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาโดยเราท่องความเห็นไม่ถูกต้องท่องความเห็นไม่ถูกต้องอึนๆไป เป็นสุขเพราะทุกขเวทนาเป็นยินดียินไล่เพราะเวทนาเป็นความชอบเพราะไม่ชอบเพราะเวทนาเีอะแยะบางคนนะ่ะเกิดถึงกับเป็นธาตุของเวทนาก็มีเกิดลกไปใข่เก็บเพราะเวทนาก็มีเกิดศึกสงครามเพราะเวทนาก็มีเกิดการขัดแย้งรบอิห ว, วาดเพราะเวทนาก็มี ถ้าเห็นเป็นอื่นดูดีๆมีสติดูดีๆให้มีสติตรงหน้าเลยตองหน้าเลยอย่าเวีนไปเป็นอื่นให้เห็นเกิดขึ้นที่ใดก็เห็นมันขึ้นสู่จากนหนเราไปเป็นอื่นไม่ได้ไม่ไดอรักษาภายนอกถ้าแก่ปวดแก่เมื่อยแต่ไปกินไม่ได้แต่ไปกินก็เกิดโทษแล้วชาใช้กกชาชาใชภายนอกก็ชาใช่กค่พะภายนอก ยาใช่ภายในยาปฏิชีวนะยาบรรเทายารักษาโรค ก, ก็ใช่ไปตามอาการของอยานันน่นนะีนเวทนานีนก็มันกันทานเห็นอย่างนี้ให้ถูกประเภทนะในสูตรเป็นสูตรอี้รโดยเจ้าวางหลักไว้แล้วแต่เราทำก็ยังทำไม่เป็นอยู่คิดว่าอะคิดคือตัวคิด เราพูดถึงกิจก็คือความคิดเพราะว่ามันความคิดมันเกิดขึ้นที่กิตความคิดเนี่ยคือมันรักคิ ด, ต, คดตั้งใจคิดเห็นไหมมันรักคิดอย่างไรตั้งใจคิดอย่างไรก็มันคิดว่ามันคืออะไรไปไก ไ, ไหมไปถึงกี่เลตันพันห0าตัห้าร้อยแปตั้งต้นจากความคิดที่เกิดกับคิตไปไกล เป็นความโกรธความโลภความหลงก็ได้เป็นความลักความชังเป็นการวิตกของเวินข้าหมองเป็นกิเลสตัณหาเป็นราคะกลายไปเป็นความขัดแย้งเป็นการทะเลาะวิวาทเป็นการหลอกลวงโกหกมุดทึบปล่ยโน่นเพรความคิดความคิดบางอย่างความคิดบางอย่างก็อสั่งสั่งทให้เกิดความสมัครสมคี ทำให้เกิดการสะดวกแก่ความคิดจากตัวเราบ้างจากคนอื่นบ้างาหลายคิวติคิดเป็นใช่เป็นประโยชน์ในความคิดออกจับความคิดมาใช่วยมาให้ความคิดมันใช่เราของตัวความคิดมันใช่เราก็ลำบากตกเป็นธาตุของความคิดเป็นสุขเป็นทุกข์เพรความคิดก็อไม่ช่อยแจ๊ ร เ, เราก็จะาอบหลอกคนคิดก็สักว่าคิดคิดก็สักว่าคิดไม่ใช่สัตว์ปุ่คนตัวตนเราเขาตัง้งแต่เกิดมาถึงเดี๋ยวเนี่ยมันคิดอะไรว่าเป็นจริงไหมบางทีก็วันหลอกตัวเองบางทีก็เอาเป็นความสุขความทุกข์เพรความคิดแต่ก็หลอกท่้ น, นละความคิดสร้างให้เกิดความสุขความคิดสร้างให้เกิดความทุกข์บอนทำเหลวทั้งนั้น เอาความคิดมาเป็นส you well ุขเอาความคิดมาเป็นทุกข์ใช่ความคิดให้เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความสุขอาจจะเป็นไปได้ความคิดนะความคิดติดเอาความคิดมาใช่จนทะลุจนเกิดปัญญานี่มือนกันปัญญาเกิดกจากความคิดเขาเรียกว่ากินตะมยาปัญญานีเหมือนกันได้กินตะมยปัญญานี่ ปัญญาที่ประกอบด้วยเหตุโดยผลแต่ภาวนามยปัญญาปัญญาที่ลูกแแคงเห็นจริงเกิดการทดลองเห็นเห็นลูกเห็นนามเห็นความคิดเน่ยเห็นความคิดก็ถือว่าภาวนาไมยะปัญญาจนเห็นจนตอบว่าก็จิดก็สักว่าจิตไม่ใช่สัตว์มงคลตัวตนเราเขาเนีเป็นภาวนามยะปัญญาเรเห็นปบ่อยๆเห็นบ่อยๆ เห็นทีไรก็ตอบอย่างเดียวเห็นทีไรก็ตอบอย่างเดียวตอบเป็นอื่นไม่ได้จิตเนี่ยกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีตอบไป็อื่นไม่ได้มีแต่สัจธรรมสัจธรรมตะพุทธตะพุไปท่านที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดีมันเพงเกิดขึ้นกับจิตม่ได้เกิดที่อื่นเกิดกับจิต ถ้ากุศลก็เป็นกุศลเป็นสัจธรรมอย่าไปยึดไปถือบางทีความสุขที่เกิดกับจิตก็อย่าไปยึดไปถือบางทีความทุกข์ที่เกิดกับจิตก็อย่าไปยึดไปถือมันไม่ใช่สัตว์คลตัวตนเราเขาความสุขที่เกิดกับจิตไม่เป็นอิสระความทุกข์ที่เกิดกับจิตก็ไม่เป็นอิสระถ้าเห็นสัจวรรเห็นไม่ใช่ตัวตนเราก็นั่นแหละเนือแล้วไปได้แล้วหลุดไปแล้ว อนนี่นะนี่คือสิ่งที่เราศึกษาอยู่สิ่งที่เราสัมผัสอยู่สิ่งที่เราทำอยู่เป็นการศึกษาสูงสุดเป็นการศึกษาเพื่อความหลุดพ้นตัวาภาวนา ป, ะะปัญญาหรือกรรมฐานนะเป็นการศึกษาสูงสุดของชีวิตเราเพราะเห็นของจริงจนตอบจนเฉลยไปไ ด, ได้เห็นไปเห็นมาตั้ง กายก็ดีทั้งเวทนาก็ดีทั้งจิตก็ดีทั้งธรรมก็ ด, ททกดีที่แท้มันก็คือรูปคือนามรูปนามมัคืออะไรมันก็คือรูปคือหลงมันเป็นตัวรูปมี่ตัวหลงแต่มันหลงก็เป็นหลงในเวทนาหลงในกายหลงในจิตหองในธรร ม, ม, มแต่รูปมันก็ไม่หลงก็ตอบได้เนี่ยนี่คือการพบเห็นศึกษาแบบพบเห็นเห็นนั่นเดียวเท่านั้นแหละ เหมือนกันหมดทุกโลกทุกนามเหมือนกันหมดทุกคนในกายมีเวทนาในกิจในธรรมเหมือนกันในรับสิทธิเท่าเๆกันเห็นเดี๋ยวนี้บรรยากาศที่นี่กาลังฟังอยู่นี่ก็เท่าเๆกันอากาศรอบตัวก็เสียงหิ้งรีดอากาศเยือกเย็นสงบ ก, ก็เท่าๆกันไม่มีใครรอดไม่มีใครหนายใครหนาวกเกินกันแลนั่งนานๆก็ปวดก็เมือยเหมือนกัน ถ้าไม่ได้กอนอนินก็หิวเหมือนกันอวันหนึ่งเราก็หมดชีวิตเราก็หมดไปเท่ากันิบสองชั่วโมงเท่ากันยี่สบสี่ชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าอสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือความรู้กับความหลงเราความรู้ก็เป็นันเดียวกันแต่ความหลงเป็นคนละเรื่องแล้วความรู้เป็นคนคนเดียวเราความหลงเป็นหลายหลายคนที่จะลักทั้งที่จะกโกธรังงที่จะฉกทั้งที่จจะทุก นั่งอยู่นี่แต่กาจิตใจคิดไปไหนไม่รู้พราะมันหลงของหลงพาไปไกลจนเป็นพวกเป็นชาติเป็นชร า, ามรณะโสกเปรตวุถุกแต่หาความรับความช่างสาอตะเพิตะเพยไปแต่อไปไปแของลูกสือก็นั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่พิสูจน์เคลื่อนไหวอยู่นี่นี่คือความรู้สึกเราเป็นคนคนเดียวกันบางนั่นแหละสัจธรรมนะคือเป็นนัคนเดียวกันเอาไปมามีตัวลูกนีตัวหลงหลง แต่ลงก็ไม่ลูกนั่นแหละแต่ลูกมันก็ไม่ลงนั่นแหล ะ, ะเป็นลกูกเห็นลูกเห็นนา้าส่วนของลูกก็มีมากของลูกไปฉเฉลยทั้งหมดไ ม, มีธรรมชาติมีอาการที่เกิดอยู่กับลูกน้ำก็มีธรรมชาติมีอาการที่เกิดขึ้นกับน้ำมันเป็นอย่างนั้นมีเท่ากันเหมือนกันอีกเป็นมีอาการมีธรรมชาติ นั่งอยู่นี่ก็ไหลไปเรื่องของลูกมันไหลไปไหลไปสู่ความไม่เที่ยงไหลไปสู่ความเป็นทุกข์ไหลไปสู่ความไม่ใช่ ต, ตัวตนเท่าๆกาันไม่เคยไหลไปทางอื่ไหลไปสู่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายลูกทําหน้าที่ของเขาธรรมชาติของเขาอาการของเขาอ่คาความเหีิวความว่างความร้อนความหนาวเหมือนการเป็นอาการอศก็ลูกอย่างนั้นจะเอาความร้อคนความหนาวความเจ็บ เดี่วข้อริ่มข้อหนาวมาเป็นทุกข์เดี่ยวข้อยู่วมาเป็นทุกข์ตอบไปอย่างเดียวคือรู้แล้วเดีย๋ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้ถูกแล้วก็นิดหน่อยแค่นี้แต่เราไม่รู้มันก็ไม่แค่นี้มันมากมากมายงวนกับฝ่ายทหารหยานเ่ยตีข้องแต่ยินเสียงข้องก็กรว่าดมีโตโพมีโตโพมีโตโพ เวลาเขาปล่าลงไปตีตีขันทองเขก็มีโตโพมีโตโพลุกขึ้นกับอพมีโตโพมีโตโพเห็นอะไรก็มีโตโพมีโตโพเห็นคนโกหเห็นคนเกิดก็มีโตโพเห็นคนเก็บคนแจกก็มีโตโพเห็นคนตายก็มีโตโพออมีโตโพอยู่กับตัวตลอดเวละคือเป็นนันเดียวอันนี้โตโพคือพระพุทธเจ้าชื่ออมิอมิตาพุทธะ มันเราก็พุทโธพุทโธดนั้ลูกตกวันไดก็พุทโธลูกเครื่องก็พุทโธอะไรก็ตกใจก็พุทโธดีใจก็พุทโธเสียใจก็พุทโธเออก็ยังดีหน่อยไม่ใช่ไปห้ากินทับกินปอดไม่ใช่ไปถึงน่นพุทโธอย่างเดียวพุทโธอย่างเดียวรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกอย่างเดียวก็ดีไม่ต้องว่าพุทโธไม่ต้องว่านีโต๊ะโปรู้สึกตัวรู้สึกตัวสะดวกรู้สึกตัวนี่ครบแล้ว รบแล้วเป็นพุทธานแล้วเป็นพระธรรมแล้วเป็นพระสงฆ์แล้วรู้สึกตัวเราคงชั่วแล้วทั้งความดีแล้วกิจบริสุทธิ์แล้วเรารู้สึกตัวนะเนี่ยบางเรื่งนะเนี่ยเลยว่าสูงสุดแล้วชีวิตของเราการศึกษาการปฏิบัติเนี่ยเห็นโลกเห็นนามเห็นธรรมชาติเห็นอาการก็เกลี้ยงเลยว่ะแต่ก่อนเห็นสัจว่ากาย สัต่ว่าเวทนาสัต่ว่ากิจสัตวว่าธรรมวันนี้เห็นละเอียดเข้าไปอีกเห็นเป็นธรรมชาติเป็นอาการเมื่อมีค่าหมดค่าไปอีกแความร้อนก็เป็นธรรมชาติเป็นอาการความหนาวก็เป็นธรรมชาติเป็นอาการความโกรธก็เป็นธรรมชาติเป็นอาการไม่ใช่ธรรมชาติความโกรธเป็นอาการธรรมชาติไม่โกรธความร้อนไม่ใช่ธรรมชาติความร้อนเป็นอาการ ธรรมชาติคือไม่เป็นอะไรเขาเรียกละบละเอียดกว่าสติว่าละบันเห็นเป็นธรรมชาติเป็นอาการอ้าวเห็นละเอียอะไรมีอยู่นี่เห็นโลกทุกข์เห็นนามทุกข์เห็นโลกทุกข์นามทุกข์เห็นโลกทำเห็นนามทำโอ้โลกมันทำดีนามมันทำดีโลกมันทำชั่วนามมันทำชั่วถ้าเห็นแล้วถ้าเห็นนะถ้าเห็นนามก็ทําดี มันก็ละช่วงก็ทําดีมันทําดีอยู่ยกมือสร้างแก้หวะอย่างนี้มันทําดีไม่ได้เอามือไม่ได้เอากายเป็นลักไปขโมยไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมอะไรเอามือเอากายมาสร้างตัวรูปให้กายถูกประเภทแต่รูปมันทําจิตใจมันก็ทําอยู่มันรู้อยู่ความรู้สึกตัวเป็นใจเป็นนามสั่งให้มือเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยเนี่ยเราทําดีเพื่อนเป็นกรรมเป็นกรรกระทําเป็นกรรมฐาน มีที่ตั้งของการกระทำหรือว่ารักษาศีลบาเพ็ญเพียรแล้วทําบุญแล้วหรือว่าทำบุญส่งสวดรำหรับภาวนาใหม่งบุนนั้นเกิดขึ้นจากภาวนาเนี่ยเราทําอยู่นี่ก็เป็นการทําบุญเราทําอยู่นี่ก็เป็นการรักษาศีลเราทําอยู่นี่ก็เป็นให้ทานไม่มีใครที่ไปยืดอะไรไว้มีแต่รูปแต่รูปวางรูปสืบตัววางรูปสืบตัวนไม่มีอะไรเหลือแล้ว เป็นทานไปแล้วไม่มีใครโกรธแล้วนันว่ามันจะเกิดขึ้นหรอรู้สึตัวผมโกรธก็หาไปหายไปทานไปแล้วจาคะไปแล้วบริจาคไปแล้วให้ไปแล้วมาเท่าไหร่ให้มาเท่าไหอ่ให้หมดนะเกิดขึ้นเท่าไหร่ให้หมดบางทีมันก็มีบาทีอะก็รู้สึกตัวให้ไปแล้วหมดไปแล้วให้เป็นทานไปแล้ว <c oughs> โลกมันทำดีนะมันทำดี รูกมันทุกะ์นาสองสารลูกเนี่ยทุกข์ของลูกสภาวะทุกข์ในสลรานทุกข์อากัรทุกข์กทุกข์สภาวะทุกข์ก็ทุกข์ตามสภาพของสังขารร่างกายมันเป็นของเขาในสลรานทุกข์ก่อทุกข์เมื่อนิสหายใจเข้าหายใจออกทาไมหายใจมันก็ทุกข์หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้ามันก็ทุกข์ หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกมันกอทุกข์โอ้เป็นกอนทุกข์น่าสงสารลูกแล้วทําไมเราจะต้องไปโกรธทำไมเราต้องไปไปรักไปชังอีกเล่าตั้งแต่มันไม่แล้วถ้าทุกข์มันก็ดรออยู่แล้วหลอดมันหนาวมันเหงืมันกวดมันเมื่อยมันหายใจมันเคลื่นน้ำลายมันติดตามันเคลื่อนมันไหวมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเขาแก่ทุกของเขาอริยบทเนี่ยกดเกินทุกข์ไว้เราไม่รู้ เราจะ น, นั่งดูปวดเท้งปวดขาไหมไม่ได้กินข้าวกินข้าวมื้อเดียวเป็นยังไงอ่ามันเป็นอย่างไงล้ว ก, ก็นอนที่นี่อาจจะไม่เหมือนที่บา้านกินอาหารที่นี่อาจจะไม่เหมือนที่บ้านอยากินของร้อนได้ของเย็นอยากินของเยนเย็นได้ของร้อนอยากกินของหวานได้ของอจืดอยากกินของจืดได้ของเผ็ดของเค็ม อ, อ่ามันเป็นอย่างไงในโลก ไม่ได้กวนเลยเราปล่อยแล้วบางคนไปไหนไม่ได้พกพาอาหารไปพกอะไรไปกลัววันนี้พอเราไม่ต้องกลัวมาเลยมาเมือเป่ามาเมือเป่า ม, ม, มีอะไรที่นี่ก็ไม่ใช่ใช่กันไปเอาเสือเอาหมอนเอาผ้าห่มตามที่นี่อยู่ที่นี่ไม่มีใครทิ้งเมนือกว่กันปกติลราไหนก็มีเสือ้อผืนหนึ่งไม่มีหมอนไม่ผ้าห่ม ไปกินข้าไปกินเหมือนกันนี่เราไม่กลัวเราไม่กลัวสภาวะทุกนี้สิล่ะทุกเราไม่ป้องกันมาเลยเราโู่เราเห็นเนี่ยนอาสงสารโลกบา <c oughs> ถ้ากกวนกันไปก็ไม่เห็นเชน่อาเน ย, ยบทบังเวทนาอ๋อบังบังทุกทุกเวทนาอาเนียบทบังไว้ พกเกื่อนไว้ถ้าเรามานั่งนานๆลองดูมาเ ด, ดินนานๆมานอนลองดูมันเขาเล่าเรื่องนกเป็นสเีเรื่องเลี้ยงลูกแล้วก็อ่านหนังสือแล้วทาหลังทีแรกก็เอาหินเอาหินมาทําต่อไปเอากินน่งไม้มาลองหินเอาเชีงไม้มาลองหินแล้วเอาหนามมาลองเกีนน่ยไม้แล้วก็อา่าใบไม้มาลองหนาม แล้วก็เอาขนลองอีกชั้นสุดท้ายคือขนมาลูกนกนยินเสียออกทีแรกก็ได้นอนขนแม่อบอุ่นนุ่ม น, นิ่มหลายวันไปก็แม่ก็คาบขนออกทิ่งเหลือแต่ใบไม้สัมผัสใบไม้ดูอ่ะก็ไม่เหมือนขนแม่อะเอาไปมานอนเลยแล้ววันแม่ก็คาบใบไม้ออกรู้น้ำแล้วปะเนี่ทํายังไงอะเจ็บปวดแล้ว นอนอยู่บ้านนอนพวกใหญ่ๆเนาะมานอนอยู่ที่นอนเสือคนเดียวเก็บปวดไหมอ่าแล้วค่อยๆกัดเม็นกคาบปีกออกแล้วคาบใบไม้ออกแล้วเหลือแต่น้ำลูกนกก็ต้องมีประสบการณ์บ้างอ่าก็พีกตัวแต่เมื่อนกก็ดูแลอยู่ให้ลูกน ก, กสมบัติแดงให้อ้าวพอไปพอมาก็ดคาบคาบน้ำออกแรง ว, ว่าสู้ได้บ้างเหลือไปกินไห้ ครับเอาไปมากก็คาบหินไม่ออกเดือดแต่ก้อนหินอนอนอยู่ก้อนห็นลูกนกกอโตประสบการณ์มาบ้างแล้วปฏิสวดก็แม่นกกว่าาบลูกนกบินขึ้นอากาศสูงที่สุดปล่อยลงมาให้ลูกนกมันมีประสบการ์วางตัวก็บินไปวางตัวก็ทำได้จะหลดลงมาแม่นกก็โฉบไว้ให้เขาช่วยตัวเขาว่า น, นี่ก็เมือนกันพอเสร็จเผลอพวกเรา ไม่ไม่ไม่กลัวเวทนาไม่กลัวสุขกลัวทุกเป็นลูกทุกน้ำทุกอะไรก็ตามเปิดออกมาเลยลูกทำนา้ำทำมันทำดีมันทำชั่วจะได้เห็นจะได้แก้ความชั่วจะได้ทำความดีมันมันชั่วมันใช่ไม่ได้ทำผิดมันก็ใช่ไม่ได้ทำถูกมันใช่ไม่ได้ความทุกข์ใช่ไม่ได้ความไม่ทุกข์มันใช้ได้ก็มีบทเรียนไปเรื่อยๆลูกทุกตามทุกลูกโลกตามโลก โลกของลูกโลกของนามโลกของลูกคือร้อนคือหนาวคือปดคือม่อยเก็บไข่ได้ป่วยเป็นโลกของลูกนะมันมีของเขาอย่างนั้นโลกก็ไม่มันมาเกิดโลกลูกก็ไม่มันมามีโลกคู่ของเขาเวลามีโลกเกิดขึ้นก็อย่าได้ทุกข์ต่เยียวยาบรรเทากำหนดลูกโดยการลูกกำหนดลูกโดยการบรนเทากหนดลูกโดยการละ บางอย่างโลกของโลกต้องละนะเช่นโซฟอรีเนี่ยไม่ใช่บรรเทามันชิวอะไรก็ไปจกนะอันนั้นไม่ใช่ละอ่ามันต้องละโลกของโลกกําหนดรู้โดยการรูกกําหนดรูด้โดยการบรรเทาอ่าบางทีมันก็มแก้ไม่ได้เช่นความร้อนความปวดความเมื่ยเนเยธนะอย่างนีนนกง้กําหนดรู้โดยการรู้มมีใครปฏิเสธ ไม่อยากให้มันหิวไม่อยากให้มันร้อนไม่อยากให้มันหนาวไม่อยากให้มันเก็บมันปวดอยากไปต้องไปคิดฝันนั่นเปลี่ยนแต่กาหนดรู้โดยการรู้รู้แล้วกำหนดรู้โดยการบรรเทาไปกินข้าวถามันยิงอย่าไปอดอมันร้อนก็หอมผ้าสักหน่อยมันหนาวก็อาบน้าสักหน่อยอมันปวดมันเมืยก็ยืนเดินนั่งนอนตามธรรมชาติกาหนดรู้โดยการบรรเทาไม่ต้องทุกข์ใจ แล้วก็ทุก้องก็ทุกข์โยก็ทุกข์ใช่ไม่ได้ถ้ากำหนดดูปอาการมันเถ่ากาหนดรูวอาการละอย่างเนี้ยโลกของนามเนี่ยโลกของนามเนี่ยละอย่างเดียวโลกของนามคือรีสัตว์ทุกกาหนดรูปทุกกาหนดรูปสมัยไทยตรงละมักทให้มากมีโลดทำให้เจ๊งอย่าไปปิดบงังเอาไว้ของโกดอย่าไปปิดบงัง ความโกรธนั่เป็นสิ่งที่น่าปิดบังความโกรธของไฟตกใส่เราปิดตกไปเลยปัดตกไปเลยอย่าไปเก็บไว้โลกของนางบางคนเก็บเอาไว้เคยเก็บบาถ้าะยศเคยเก็บความโกรธไว้บ่โกรธทำไม่ออกอยู่ตั้งหลายเนี่ละไรเล่านางนี่แหละเก็บเอาไว้ไม่เก็บทำไมเป็นลู่ถามบ่เล่าไมเล่าเถอะ อาเบิตึงตึงเนี่ยก็เดีวหลพ่อเทียนเรากะหลวงพ่อเทียนเราโกดให้เมียเราเอสร้างบนกรถินเราสร้างบนกรถินหลวงพ่อเทียนก็แบ่งงานกันให้เจ้ารับแขกใจเงื่อนใจท่องยังทั้งเบ็ดการใส่ใจทั้งเบ็ดในเงืนนี่เป็นนาทีทั้งเจาะคอยชินนั่รับแขกถือเขาหุมเขาถือสิ้น เ็เปลี่ยนไม่ออกได้หวะเนาะเป่นคอยชิงมุงเขาถือเขารับแขกเรต้องเขียนงานเจ้าเป็นธุระเอาได้ง้องกระถิ่นแบบรวมอย่างเมื่อถามเราห้องเจงเขาลายเป็นไงละกันเขียนตึ๊ดกันทีเลยเขาจะบอกแล้วนะมาถามอยู่แต่ว่าเปะกันที่ป่ากับคนทั้งหลายอยู่เขียนไ้ คืมคอ ม, มันปอกมน า, ามัน น, นั่งมเรื่องเก็บจุดสัตว์จะมาดูมันเดาเก็บสวยเก็บช่างแขกนีเอเอาของมากินเอาไเท่อทอวอะไรกินพวลต้องามันก่่นนะนนะนว่มออว า, า, า, ม า, ามาจินขเจ้าเงเขาาบกลัก็บว่าบามมันลทองเ ตรวจตรวจตรวจโห่ม <sm> ันพิษแท้แท้เออเออเมียของเราที่เขาเขาถามตรวจทุกทเจ้าก็ต yeah, ีเครียดเตเครียดกันแล้บอกกันแล้ว่าอ่อนไม่ใช่ไหมเครียดก็เครียดพระเจ้าพระเจ้าเสด็จต้องนำบุตรเจ้าเจ้าท่านอยู่กับที่เจ้าต้องนำบุตรมุ่งมาพัฒนา ขอเงียบเงันตุบนที่ปัด๊บขูด่มันแน่นเียลยวห็นไมแล้วเรเกลี่ยเงียเงียบราูจักแค่เงียบงทั้่ไปัดออกโลปัดออกโลทุกของงามบางคนถนอมไ่รู้เลยไปถนอมรักษาไว้ล้ำดับถนอมอย่างดีเลย เอาลกินข้าวกูจะต้องว่าสักทีเถอะมาถนอมรักษาลำดับไปฮะเหมันก็ไปตกแต่ลราทุกของนามเนี่ละอย่างเดียวไม่วกูได้ด่ามันกูก็หายโกรธตรงไม่ใช่อย่างนั้นละอย่างเดียวทุกของนามโลกของงามละเน่กรรมาฐานเห็นแต่อย่างนี้โลกโลกโลกงามโล ก, โล ก, โล ก, โลกเอา้าเปลี่ยงไปหรอเปลี่ยนลงมีสมมติ บ, บัญญัต เห็นแต่นี่นะจะบอกไว้บอกทางให้เดเจ็นเพื่อจะไม่เสียเวลาไปเห็นสมมุติ <c oughs> ในโลกเต็มไปเลยสมมุติ